ปีก่อนได้ไปประชุมที่ประเทศอินเดียเป็นการประชุมกลุ่มเล็กๆในหมู่ชาวพูดจากหลายประเทศพม่าอินเดียอินโดอเมริกาอังกฤษสนถะานที่ประชุมก็เป็นวัดที่เบตผู้ก่อตั้ง หรือผู้สร้างนี่ก็เป็นพร ะ, ะชาพูธานที่มีชื่ อ, อเป็นเคยสร้างหนังนะเกี่ยวกับเนนที่เล่นฟุตบอลกันนะแต่ว่าไม่ได้เจอตัวผู้ก่อตั้งวัดนั้นนะเพราะท่านก็มีกิจเยอะช่วงที่ ไปประชุมก็มีเวลาว่างก่อนแวะกันไปเยี่ยมสำนักสามเมรีรีนี่กายที่เบตอย่างเหมือนกันอยู่อีกเมืองนึงใกล้ๆเจ้าสำนักนี้เป็นสามเรีรีชาวอังกฤษแต่อายุมากแล้วนะประมาณ70แล้วท่านบวช เป็นสามเณรีมาสี่สิบห้าสิบปีได้ชื่อว่าเทนซินพารโมชื่อนี้นี่ฝรั่งที่สนใจพุทธศาสนาแนวทิเบตนี่หลายคนจะรู้จักนะเพราะว่าท่านไปแสดงธรรมแล้วก็มีผลงานเขียนเกี่ยวกับธรรมะเป็นหนังสือหลายเล่มแล้วก็การปฏิบัติของท่านก็น่าสนใจนะ ซึ่งเดี๋ยวก็จะลอยให้ฟังจริงๆชีวิตของท่านนี่น่าสนใจนะตั้งแต่ยังยังสาวเลยเป็นชาวอังกฤษไม่เคยรู้จักพุทธศาสนาเพราะอังกฤษเมื่อั50ปีก่อนนี่พุทธศาสนาไม่ว่าแนวไหนเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่แต่ว่าในใจท่านเนี่ยนะ นางสายยังเป็นสาวอายุ20เนี่ยก็เหมือนกับว่าโหยหาอะไรบางอย่างมีวันหนึ่งก็มีคนแนะนำให้ไปพบกับอาจารย์ทิเบตท่านหนึ่งเป็นท่านมาจากประเทศอินเดียพอมีคนเอ่ยชื่อท่านนี้เท่านั้นแหละว่าชื่อคัมทรุนลินโปเช พอได้ยินคํานี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมีกระแสไฟฟ้านี่วิ่งผ่านทั่วร่างกายเลยเหมือนกับว่าเคยเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนหรือจะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะเคยได้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์กันมาก่อนตั้งแต่ชาติที่แล้วก็ได้ความรู้สึกเป็นขนาดนั้น้ตัวอย่างที่ว่าพอได้ยินชื่อครูบาอาจารย์แล้วก็ สว่างโพร่งหรือว่าเกิดอาการดังอย่างในร่างกายนี่มันก็มีในสายพุทธการนะอนาถพิ น, น, นิกาศเศรษฐีเนี่ยตอนที่ไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งเป็นเศรษฐีในกรุงราชครือเนี่ยอตอนนั้นนี่พวะเจ้าก็เพิ่งเสด็จอยู่ที่กรุงราชคออยู่ที่เวลุวันได้ไม่ไม่กี่ปีไม่กี่พรรษา อาเศรฐีที่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นญาติเนี่ยพอเอ่ยชื่อพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่ก็นาธิปินิการนี่ก็รู้สึกสว่างว่าเปือนกับมีอะไรเหมือนเหมือนเหมือนอคล่ายกับมีไฟฟ้าแล่นผ่านน ะ, ะนะทั้งที่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนทำให้เกิดความสนใจแล้ววันรุ่งขึ้นพอไปฟังธรรมจากผู้เจ้านะทีะ่เวลุวันเนี่ยก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลย คล้ายๆมันก็ว่ามีอะไรผูกพันกันมาก่อนนะเพียงแค่ได้ยินชื่อเท่านั้นแหละนะก็จะเรียกปิงก้งวาบก็ไม่ใช่นะแต่มันว่าเป็นทั้งตัวเลยนะไดแอนนี่ก็เหมือนกันนะแล้วพอได้เจอท่านคำทุนริมโบเช่ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่นี่ก็เกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีมอบตัวมอบตัวเป็นศิษย์แล้วก็ พออยู่ได้คบรู้จักกันได้ไม่กี่วันนั่นไดแอนนี่ก็ขอขอบวชเป็นสามเณรีเลยเหมือนกับว่าเคยเป็นเคยผูกพันกันมาก่อนถ้าบวชกับชาวพุทธเคยเคยผูกพันกันมาแต่ชาติที่แล้วยุยี่สิบกว่าก็ก็บวชนะเป็นสามเณรีเราก็ตั้งใจในการปฏิบัติมาก บวชไปได้สัก10ปีนะอายุ3 0ม3บาก็บาเพ็ญทาขั้นอุกฤษนะนะขึ้นภูเขานะไปปลีกวิเวกอยู่ในถ้าถ้านี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะขนาด6 1คู 10, นสเนี่ย6คูฟุตนะนะเล็กเลกเล็กกว่ากุฏิอ่านะพระซิกนะไปอยู่คนเดียวนะ เขาก็สูงนะประมาณ 3,000 กว่าเมตรเกือบ 4,000 เมตรสูงกว่าดอยอินทนนท์ต้องกิโลกว่าดอยอินทนนท์แก่ของพกว่าเมตรแต่ว่าสถาปีเวก ข, ของทเทนซินพามนย่สูงกว่นั้นอีกนะเพราะฉะนั้นหน้าหนาเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยหิมะก็เก็บตัวอยู่ในในถ้ำคนเดียวนะอาหารนี่ก็มีคนเอามาส่ง เป็นครั้งคราวก็เป็นข้าวบ้างหรือว่าเป็นพวกคล้ายๆ ข, ขนมปังทําจากข้าวคล้ายๆข้าวเหนียวงี้ยนะแห้งเวลากินก็ต้องเติมน้ำเข้าไปที่แรกคนก็ห้ามนะโอ้โหจะอยู่ได้ยังไงนะเป็นฝรั่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วไปอยู่คนเดียวมันเปลี่ยวอันตราย แต่ว่าเธอก็ไม่กลัวนะแล้วก็ปรีวิเวนี้ก็เรียกว่าทำความเพียรขั้นอุกฤษมากตื่นตี3ามนะทำสมาธิ่3ชั่วโมงจนถึงหโมงแล้วก็ทำต่ออีก8โมงถึง11โมงเนะที่ยงก็ถึงค่อฉันฉันมื้อเดียวบ่ายสสมาธิต่ออีก3ชั่วโมง แต่ละ2ทุ่มก็ต่ออีก3ช่วมงเป็น4จนถึง5ทุ่มให้วันหนึ่งเนี่ยปฏิบัติในรูปแบบ12ึ่งงชั่วโมงมีเวลานอนเจ้าแค่4ชั่วโมงยังมั้งแล้วก็ไม่ได้นอนอาราบกับพื้นนะเพราะมันไม่มีที่จะนอนนะต้องนั่งหลับนะเลื่อในสัต์ชิกแล้วลองนึกภาพนนะคนที่อยู่ในถ้ำแทบจะไม่ออกไปไหนเลยนะ มีออกไปบ้าไปหาน้ำนะไปหาน้ํามาดื่มมามาต้มท่านกต้อ ง, งทนหนาวอีกเพราะว่าเชื้อเชื้อเพลิงก็ไม่ค่อยมากนะที่เบสอ่าไม่ใชที่เบตเอเบตอนอยู่อินเดียภูเขาสูงอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีต้นไม้แล้วแหละมันมีแต่พุ่มไมนะ้เมื่อปีเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็ได้เมลกลับไปอินเดียก็ได้จ่าลิกไปต้นน้าําคงคา ก็ไปเห็นขึ้นไปเขาสูงพอสูงสัง 3, กสามพันกว่าเมตรเนี่ยนะต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีแล้วมันก็มีแต่พุ่มไม้ถ้าไปถึงสี่พันเมตรนี่ก็ไม่มีต้นไม้แล้วมีแต่หญ้านะมีแต่หญ้าก็เนสิ้นพอมันก็อยู่งั้นแหละไม่ใช่อยู่สามเดือนนะไม่ใช่อยู่สามปีนะอยู่ถึงนั่นสิบสองปี เชื่อว่าเนี่ยขนาดพวกเรานี่ถ้าไปอยู่สักอาทิตย์นึงก็คงจะอาจจะเป็นบ้าแล้วก็ไดนะ้เพราะว่ามันไม่เจอไม่มีอะไรเลยนะไม่มีผู้คนนะการกินก็ลำบากขัดสนนะนอนก็ไม่ได้นอนเต็มที่ช่วงก้าปีแรกเนี่ยนะทนซิบอกว่าเนี่ยยังได้ออกไปบ้างนะออกไปหาอาจารย์บ้าง พบป่าผู้คนบ้างสามปีสุดท้ายนี่ก็บำเพ็ญทำขั้นอุกฤษกำลังสองเลยนะก็คือว่าไม่ออกไปไหนเลยสามปีสามเดือนสามวันนะอันนี้เป็นตัวเลขนะที่คนที่เบดนิยมปฏิบัติธรรมเก้าททปีแล้วังไม่พอนะอยังรู้สึกว่ายังไม่อุกฤษพอนะ สปีสุดท้ายนี่อุกฤษิ่งกว่า น, นั้นอีกนะเรียกว่าเก็บอารมณ์ในเก็บอารมณ์เลยเก็บอารมณ์ซ้อนเก็บอารมณ์ไอการปฏิบัติอย่างพวกเรานี่มันเด็กๆไปเลยนะไม่ว่าจะเทียบในแง่ของเวลาแล้วก็การทำความเพียรหลายคนนะแค่บวชในพรรษา3าเดือนนี่ก็ทำท่าจะแย่แล้วนะก็ นับถอยหลังรนะอวันศึก น, นี้เทนเซนนี่ปฏิบัตินถึง12ปีแต่ว่าปฏิบัติได้ไม่ครบนะอุกฤษ3ปี3เดือน3วันเนี่ยไม่ไม่ครบเพราะว่าตำรวจอินเดียมามาตามบอกว่ า, าวีซ่าหมดอายุแล้วนะมันจะไม่มือายุได้งไงนะ อยู่ในถ้ำมา12ปีไม่ไปต่อต่อวีซ่าเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะตำรวจต้องมาตามนะอุตสาห์ปีนเขาขึ้นมาก็เลยล้มเลิกความตั้งใจแต่ก็ยังมาเป็นภาวานาอยู่ไอประสบการณ์การเก็บอารมณ์ปลีกวิเวกสิบสองปีนะมันเป็นเรื่องที่อย่าว่าแต่คนฝรั่งด้วยกันเลยนะแม้กระทั่งคนที่เบรกก็ทึ่งมากถ้าถามเป็นผู้หญิงชาวต่างชาติเลย ก็มีคนถามถว่าเนี่ยเป็นยังไงนะอยู่ในอยู่ในถ้ำเนี่ยคนเดียวเนี่ยปีได้เห็นสีเห็นแสงมีธลิตปฏิหารอะไรไหมเธอก็ไม่พูดอะไรมากก็พูดแต่เพียงคำเดียวว่าไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยนะไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยแม้แต่วันเดียวนะอันนี้น่าน่าทึ่งนะเรียกว่าทั้งปีทั้งชาติอยู่ในอยู่ในถ้ำนะไม่เจอผู้คน วันแล้ววันเล่าก็เหมือนเดิมวันแล้ววันเล่าก็เหมือนเดิมนะตื่นตีสามนอนห้าทุ่มแล้วก็ตื่นตีสามนอนห้าทุ่มตื่นตีสานอนหทุ่มนะกิจวัตรนะแทบจะไม่แตกต่างจากเดิมนะนั่งสมาธิสี่รอบรอบละสามชั่วโมงนะแล้วก็ทำโน่นทำนี่คัดลอกคมพีอีกนะช่วงเวลาว่างที่เหลือก็เล่นโยคะนะบริหาร กายไปอันนี้เวลาพวกเราเนี่ยนะรู้สึกท้อแท้การปฏิบัติรู้สึกเบื่อนา ย, น, ยนะลองลองนึกถึงคนอย่างเทนซินพาวโมมบ้างนะเรียกว่าให้ความความลบากของเรานี่มันมันเป็นขี้ผงเขาเลยนะแต่นั่นก็ทำนะด้วยความด้วยความศรัทธาแล้วก็มีฉันทะนะพอมีฉันทะก็ทำให้เกิดความเพียร ก็ล้พอเกิดพอมีฉันทันแล้วเนี่ยแม่จะทําทสิ่งเดียวซ้ํากันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความทุกข์ทรมารเลยนะคนสมัยนี้จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นียคนรุ่นใหม่เพราะว่าชอบของใหม่ชอบอะไรที่ไม่ซ้ําเดิมนะแค่อยู่นิ่งๆคนเดียวชั่วโมงเดียวนี่ก็กระสับกระส่ายแล้วจะทุรนทุรายนะ้วนะ บคนอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วให้สร้างจังหวะห้านาทีก็ง่วงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกันท่าทุกคนนะที่มาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยให้ยกมือสร้างจังหวะทําทไปได้ห้านาทีง่วงแล้วพอบอกว่าจะ ป, ปฏิบัติต่อสักยี่สิบนาทีโอ้ร้องโหกันเลยโห o ยี่สิบนาทีเฉเหรอนะเพราะว่าเดีย๋ยวนี้เรานะอยู่เฉยไม่เป็นนะจะให้อยู่เฉยสักห้านาทีนี่ก็ไม่ไหว ให้ทหําะไรซ้ำๆยีนาทีก็การเป็นทรมานแต่พอทําไปทําไปมันก็ทําได้นะทำได้ทั้งวันเลยก็ได้แต่มันต้องเริ่มต้นจากใจนะใจที่มีความเพียรและความเพียรเกิดขึ้นได้เพราะมีฉันทะเคยไลฟฟังแล้วนะาชาวญี่ปุ่นที่ทําเทมปุระเนี่ยจนกระทั่งคนยกย่องมาเป็นเซียนะหรือเป็นเทพเจ้าเทมปุระ ก็ทำเทมปุระวันห น, นึ่งเียตั้งแต่เชา้าจดเย็นเชา้าจดเย็นทอดเทมปุระอยู่นั่นแหละนะไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะทำมามา3 0 40, 40ปีแล้วมั้งตั้งแต่หนุม่มจนกระทั่งอายุ60สก็ยังมีความสุขกับการทำการทอดแล้วก็พยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งทั้งนั้นที่ชีวิตเขาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตื่นเช้ามาไปทางานทอดเทมปุระ เนะชา้ากลางวันเย็นค่ำกลับบ้านตื่นเช้าขึ้นมาทำงานต่อชีวิตนี้เนี่ยดูเหมือนเครื่องจักรนะแต่ว่าข้างในมีความสุขนะพ่อมีฉันทะอย่างเช่นสิ้นพาวโม่ก็เหมือนกันนะอยู่สิบสองปีนี่นะเธอก็มีความสุขมากเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยรู้สึกมันเร็วมันกับแค่เดือนเดียวเองนะทั้งที่มันก็ซ้ำซากกันสาห้าวัน แต่ว่าข้างในใจมันไม่ได้ซ้ำหรอกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนะมันมันใหม่อยู่เสมอแลนะจิตมันก็เกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะจิตแต่ละขณะแต่ละขณะมันไม่มันไม่ใช่ใหม่มันไม่ใช่ซ้ำเก่าเลยนะมันใหม่ตลอดเวลาและมันใหม่ถี่มากที่จริงตัวเรานี่ก็ใหม่ตลอดเวลานะอย่าไปคิดว่าตัวเรานี่เก่าไอ้คำว่าแกเนี่ยหรือ มันก็เป็นคําเรียกโดยสมมุตินะแต่ที่จริงมันใหม่ตลอดเวลาตัวเราเมื่อเมื่อวานกับวันนี้ก็มันก็คนละคนละอันกันคนละล่างมันมีบางอย่างที่ตายมันมีบางอย่างที่สร้างขึ้นใหม่ผมก็งอกขึ้นตลอดเวลาขนก็งอกขึ้นตลอดเวลาไอ้ที่ตายก็ตายไปมีเซลเรามีเซลในร่างกายตายหนึ่งวันหนึ่งก็ห้าหมถึงแสล้านเซล นะชั่วโมงนึงก็เป็นพันพนล้านเซลล์เซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นพอๆกันนะเป็นพันหรือหมื่นล้านเซลล์อย่างนี้มันจะเป็นร่างเก่าได้ยังไงมันก็เป็นร่างใหม่ตลอดเวลายิ่งจิตเนี่ยนะเกิดดับเกิดดับนี่เขาว่าแสนโกดนะแสนโกคือล้านล้านครั้งต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันแต่ละวันมันไม่เคยไม่เคยซ้ําเลยนะ แม่ว่ากิจวัตรจะเหมือนเดิมวิเทนเซนเนี่ยน ะ, ะก็พอใจนะอยู่อาการอยู่การปฏิบัติปีกวิเวแต่ตอนหลังเนี่ยทาระละมะน ะ, ะชวนให้แนะนำให้ออกไปสู่โลกภายนอกสู่โลกกว้างสำหรับหลายคนโอ้ยการที่ออกไปสู่โลกกว้างนี่เป็นเรื่องสนุกสนานนะแต่เทนซซนไม่เอานะอยากจะอยู่อยากจะเก็บตัวปีกวิเว ใจเทร ะ, ะละม้าบอกว่านั่นแหละแค่นั้นไม่พอต้องออกไปเจอโลกกว้างนะเพราะว่าในโลกกว้างก็เป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกันถ้าสําหรับเซนซินแล้วมันการปฏิบัติธรรมที่ยากกว่าด้วยการเก็บอารมณ์การเก็บตัวนี่มันเป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ยากนะที่ยากกว่าคือการออกไปข้างนอกนะออกไปแล้วปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่ออกไปแล้วก็ปล่อยตัวไปใจ เมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นนักปฏิบัติที่อยู่ที่นี่มาตลอดพรรษาหรือหลายเดือนนะไอสิ่งแวดล้อมหรืออารมณ์ที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่ร้อนแรงเผ็ดแสบหรือว่าคุกคามเป็นอันตรายเป็นโทษจากข้างนอกเนี่ยนะ ข้างนอกเนี่ยมันมีอารมณ์ที่มันสามารถจากระตุ้นให้เราหลงให้เราลืมตัวทั้งเย้ายวนให้อยากได้ทั้งยัวย่วยุให้โกรธขัดเคืองใจหงุดหงิดหาว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยมีความหงุดหงิดมีความขัดเคืองใจนะหนส่วนเนี่ยข้างนอกเนี่ยนะมันจะมีสิ่งกระตุ้นเราให้เกิดความหงุดหงิดขัดเคืองใจเป็นทุกข์แสบใจฟุ้งซ่านเนี่ยสิบเท่าก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อไอาการที่เราอยู่ตรงนี้นะไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีเสมอไปนะเพราะว่าเราจะไม่คุ้นเคยกับการที่ไปเจอกับอารมณ์ที่มันรุนแรงมากระทบต้องออกไปเจอบ้างออกไปเพื่ออะไรเพื่อไปเรียนรู้กับเรียนรู้ที่จะใช้วิชานะวิชาเจริญสตนะิซึ่งก็เปรียบเหมือนกับวิทยายุดนะ จะใช้วิทยายุทธอยู่แต่ในสำนักมันก็ไม่พอต้องออกไปแต่ว่าวิทยายุทธนี่เราไ ม, ไม่ได้ไปทำร้ายใครนะแต่เป็นการนักษาใจตัวเองให้เป็นปกติสงบเย็นเด้และเป็นประโยชน์ด้วยข้างนอกเนี่ยมันมันมีสิ่งที่จะสามารถทำให้เราสติแตกได้ง่ายๆสติแตกในที่นี้นี่ไม่ได้หมายถึงความโกรธนะความ คุณเครื่องใจนะเท่านั้นนะแต่หมถึงความโลภ ก, ก็ด้วยความโลภความอยากได้อยากได้จนลืมเนื้อลืมตัวงั้นถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เนี่ยพอไปเจอโลค ก, กว้างก็โดนมาเล่นงานแต่ถ้าว่าถือเป็นการปฏิบัติธรรมนะมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะว่าทันไาง่ไงเราจะรักษาใจให้เป็นปกติได้แม้ว่าจะมีสิ่งมากระทบมากมาย นะมันระดมมามันรดมใสนะ่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ปรุงทางใจแย่ไปหมดคนที่อยู่วัดนานๆพอไปนี่ก็บางทีก็พลาท่าเสียทีอย่างพวกเราจะสังเกตได้นะอาจจะประสบด้วยตัวเองเนี่ยพออยู่วัดไปสักเดือนสองเดือนออกไปข้างนอกนะไปไปไปทำวัดเจ้าคณะจังหวัดนะ หรือว่าออกไปมีกิจข้างนอกไปโรงพยาบาลหรือว่าล่าสุดไปปฏิโมกนะที่อรุณธรรมสถานเนี่ยสังเกตจิตใจตัวมั่งหรือเปล่านะว่ามันหลงตัวลืมตนบ้างไหมนะสติแตกบ้างหรือเปล่าโดยพอออกไปไปที่แก่งคอเนี่ยบางคนก็ไปสอบนะพอไปเจ อ, อสิ่งแวดล้อมนะเจอร้านค้าเจอรถ เจอเสียงนะบางคนก็ลืมตัวเลยโอ้พอมีของกินของอร่อยนะเต็ไมไปหมดนะหวนคิดถึงวันคืนเก่าๆสมัยเป็นคาราวานะบางคนก็งงงิดลาคาอากาศร้อนเสียงดังอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวทั้งนั้นนะซึ่งมันก็ดีนะถ้าเรารู้ว่าเราลืมตัวเรกลับมากลับมาตั้งหลักใหม่สอบตกแล้วรู้ว่าสอบตกก็ยังดีนะ ดีกว่าไม่รู้เลยว่าสอบตกนะแล้วก็ยังคิดประมาทว่า เ, เดี๋ยวเราศึกไปนะเอาอยู่นะอย่างตอนนี้หลายคนก็นะก็คิดนะนับถอยหลังแล้ววันที่วันออกพรรษานะวันรับกรถินแล้วก็วันศึกนะบางคนใจก็ไปอยู่กับไปที่บ้านแล้วนะไปวาดฝันว่าเนี้ยศึกแล้วนี่จะทําอะไรบ้างนะจะกินอะไรจะไปเที่ยวที่ไหน ใจมันลอยไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เราสอบตกเหมือนกันนะขนาดยังไม่ยังไม่ันจอบไปเลยนี่ก็สติแตกแล้วนะเพราะว่าไอ้กิเลสมันอยากมันได้ช่องอยู่แล้วนะมันก็หาสิ่งเรามามามาล่อนะนะช่วยให้เราคิดถึงแผนการนะที่จะทำเมื่ อ, อศึกษาลาเพศไป ให้ให้รู้เท่าทันนะกิเลส ท, ที่มันจะหลอกล่อเราให้หลงพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะถ้าเราไม่ไม่รู้จักฝึกใจอยู่กับปัจจุบันไม่รู้จักต้านทา น, นาอำนาจกิเลสบ้างนะปล่อยให้มันพาจิตพาใจกระเจิงไปวันนี้มันพาใจเราไปไปไปจมอยู่กับสิ่งที่หน้าชื่นชมหน้าพอใจนะความเลิศอร่อย แต่วันหน้าเนี่ยมันจะพาเราไปจมอยู่กับความทุกข์ไปจมอยู่กับสิ่งที่ขัดเคืองใจทำให้วิตกกังวลกระวนกระวายเวลาเราเพลินในความสุขมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะหลงจมอยู่ในความทุกข์ได้ง่ายเท่านั้นนะจิตที่มันขึ้นเร็วเนี่ยมันก็ลงเร็วเหมือนกันนะในตอนเดียวกันเวลาเรานึกไปถึงอดีตเนี่ยมันมีอดีตที่หอมหวานเราก็อยากจะนึกถึงมันเพื่อมีความสุขหล่อเลี้ยงใจ พอบอกว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันก็จะรู้สึกขัดเคืองใจว่าทำไมไม่เห็นเสียหายเลยนะจะคิดถึงวันคืนเก่าๆนะวันๆมันหวานชื่นปัญหาคือว่าถ้าเราเพลินกลับไปกับอดีตที่หอมหวานเนี่ยมันก็ง่ายที่จะจมลงไปอยู่กับกับดักอันเจ็บปวดของอดีตได้เหมือนกันนะคนที่หัวเราะง่ายเนี่ยนะมันก็ร้องไห้ง่ายเหมือนกันหรือว่าคนที่ หัวเรา ง, ง่ายมันก็กลาดเกลี้ยวง่ายเหมือนกันดังนั้นถ้าเราปล่อยใจให้จมอยู่กับความสุขไม่ว่าในอดีตหรือว่าที่คาดหวังในอนาคตเนี่ยมันก็ง่ายที่จะจมอยู่กับความทุกข์เพราะอดีตหรือเพราะการคิดถึงอนาคตเหมือนกันนะดังนั้อย่าไปอย่าไปอย่าไปยอมให้กิเลสมันหลอกล่อมันจูงใจเราไปง่ายๆนะให้กลับมานะพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะ ไอต้องใช้ความใจแข็งบ้างนะใจมันอยากจะโหยหาโนะหยหานึกถึงวันคืนอันหวานชื่นหรือใจมันอยากจะนึกถึงความสนุกสนานอร่อยอร่อยที่รอคอยอยู่อย่าไปหลงเชื่อมากต้องใจแข็งนะ่าใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันไอต้องนะใช้ความตั้งใจมากสักหน่อยนะใหม่ๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกสติดีเนะี่ยมันจะรู้ทันได้เร็ว ถึงตอนนั้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความตั้งใจหรือไม่ต้องใช้การฝืนใจนะมันจะรู้แล้ ว, ว่าไปอยู่กับอนาคตเนี่ยนะอาจจะสุขอาจจะเพลินประเดี๋ยวเดียวนะแต่ว่าทุกยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่ไม่กี่วันก่อนจะออกบรรษาก่อนจะศิกษ า, าลาเพศไปเนี่ยนะพยายามฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีนะการฝึกให้ใจยอยู่กับปัจจุบันนะ รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดที่สุขหรือทุกข์ในอดีตหรือว่าน่ายินดีหรือน่าวิตกกังวลที่รอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ถ้าเราฝึกบ่อบยๆเนี่ยก็ทําให้เรามีความพร้อมนะถึงเวลาเราออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่กระนําเข้ามาหรืออารมณ์ที่มันเผ็ดแสบเราก็สามารถจะรับมือกับมันได้เหมือนกับว่า อยู่ในที่โล่งนะแม้แดดจะร้อนนะแต่ว่าเราก็มีร่มนะมีร่มแดดร้อนก็ร้อนไปนะแต่ว่าภายในร่มนั้นเย็นสบายอารมณ์ที่ว่านี่คือร่มธรรมนะร่มแห่งสตินะที่มันจะรักษาใจเราให้เย็นได้ถึงแม้ว่าอะไรที่เกิดอะไรมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเรากับตัวเรากับกายเรานะที่ไม่น่าพอใจนะแต่ว่าใจก็เป็นปกติได้คำนี้ก็พูดกันทนนี้นะกราบ